เอาประกันตั้งใจฟังให้โอกาสแก่ผู้แสดงคำและให้โอกาสแก่จิตใจของเจ้าของเพื่อวันดุถึงธรรมะวันนี้เป็นวันปันนรสีคือเป็นวันที่สิบห้าคำแห่ปักเป็นวันที่ชาวพุทธเราทั้งหลายมาชุมนุมในศาลาโลงธรรมที่นี่ ในพร้อมวันนี้อาตมามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนพวกชาวคิดยานุสิ์ทั้งหลายมีพระอุชากรูเป็นประธานในสำนักนี้ได้มาพักอยู่นี้ประมาณสองคืนกลางคืนมาก็ได้อบรมพระภิกสุสัสมนเนหพอสมควรตามกำลังวันนี้โยมทุกคน แล้วแต่คนจะตั้งใจทาอุโบสถศีลธรรมดาทุกๆวันเรารักษาศีลแปลดประการเป็นวันอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนอันนั้นเป็นประเพณีที่เราทํามาเป็นประเบียบกฎอันหนึ่ง ที่ตั้งขึ้นเฉพาะผู้ที่รักษาอุบสดถ้ศีลหลังนั้นวันนี้อาจจะมาจะพลิก ค, ความรู้ความเห็นในวันอุบสดเช่นนี้วันอบสถวันนี้โดยธรรมดาแล้วกับพระประกาศศีลโยมทั้งหลายก็วาดไตามเรียกว่าสมทานอนิลัต การที่เราจะรักษาศีล น, นั้นมีสามประการหนึ่งเราจะขอสมทานกับพระสิสุอันหนึ่งสมทานรายรัดอันนสัมปัสสิรัดอันหนึ่งเรางดเยี่ยนโดยตนเองเราแต่เรารู้ว่าปานาอจินาการเมรมุสาสุราตลอดไปถึงอุโบสถศีลเรารู้แล้วเราก็ละเอง ไม่ต้องไปสมทานกับใครอันนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งประการที่สาม เ, เป็นสมุดเฉทวิรัตเป็นศีลของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ว่ากํหนดละเลยตั้งไว้ในใจเด็ดขาดว่าอะไรวะไอ้พวกถเกิดจะเลิกมันอันนี้ละไปเลยเด็ดขาดไม่ต้องสมทานกับใครอันนี้เป็น ศิลปะอริยเจ้าสมุติเสียไัดขาดเลยผู้นี้มีสติคุ้มครองจิตเราเสมออยู่ว่าอ่าดูแลอยู่้วยตนเองตลอดการตลอดเวลาอ่าศิลปมีทางที่เกิดศึลปได้อย่างนี้สัมปตัญญลัตส ม, าาสมุ ท, มทานานิรัตสมุทรเสียทวยรัตสมุทนานิรัตก็คือว่าต า, ามพระไป สัมปชัดีนัสงดเรียนโดยตนเองไม่ต้องสมทัศนกับใครคือเรารู้แล้วว่าไอสัตว์ที่ไม่ควรข่าเราก็ไม่ข่ามาันไม่เี็ดเบียนมันมไม่ต้องไปถามใครนะ ร, รู้ละไม่ต้องทำสมุอือสเสถียร ท, ทีนัสขึ้นชื่อว่าบาปจะฉันเลิกเลยอืมตลอดชีวิตไปเลย ขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปเป็นตามทางกายทางวาจาหลายชั้นก็เลิกแต่วันนี้เียบรลอยนี่เรียกว่าสมุสติเทสติรัสักขาดไปเลยอืมทีนี้ทั้งสามประการนี้เป็นพื้นฐานของผลิผลานทั้งนั้นมสมทานในวิรัตก็เป็นพื้นฐานของผลิผลา น, นั่นสมัมประจาวิรัตก็เป็นพื้นฐานของผลิผลา น, น, น, นั่นสมุทเทสติระสักก็ไปได้อันนี้ อุบาสกอุบาสิกาเราทางหลายบางทีก็ค้่องใจสินนี่จะคิดว่าจะไปเรียนกับพระทุกเวลาใครอยากจะได้สินก็ต้องไปราตนามะยังปันเตติสาณีนัสหะปันจัชิลานิยาจามะคิดว่าอย่างนี้จริงจะได้สินจริงจะเป็นสินนอกจากนี้ไปเราก็ ไม่มีพระไม่รู้ว่าจะไปรับศีลที่ไหนบางทีก็จนตายเลยจนพราของโง่ของเรานี่ยเรารู้จะกกินสุรามันบาปเลยแล้วก็เลิกเราฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปถามใค ร, ลรลแล้วเรารู้แล้วมันก็ไม่เมาเหมือนกันมันก็ไม่เมามันก็จะศีล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลเดิมเป็นอย่างนี้จะไปสมาทานกับคนอื่นนั่นก็เดียวเรายังไม่รู้จักศีลท่านก็บอกไปอืม ท่านก็บอกไปก่อนบอกไปเรียกว่าประกาศศีลขนาดนั้นขนาดนั้นก็ยังไม่รู้แหละอศีลนี่จะพูดรวมแล้วมันเป็นพื้นฐานของธรรมะอถ้าไม่มีศีลเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่ใน ม, มีลูกเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้ลูกเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นศีลเนี่ยจริงเป็นพ่อแม่ของธรรมะธรรมะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีศีลคนรักาษาศีล คนบริสุทธิ์คอง ส, สายสะอาดฉะนั้นบรรดาที่พอเราสังลายนั้นจิงภากันสมาทานศีลไอความเป็นจริงนั่นจะมาทานศีล น, นั่นเมื่อไรก็ได้เมื่อใดก็ได้อตาตมา ย, ยังถูกลูกศิษย์ชาวยุโรปถามอยู่ว่าไอคนไทยเนี่ยพระไทยเนี่ย ปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยอทําไมทำหนึ่งเหมือนกันเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีทาไมถึงทําอย่างนั้นออกพรรษากับเข้าพรรษาทําไปเรื่อยไม่ได้เด้อบางคนคนไทยเข้าพรรษาจะอดไม่ต้องกินเหล้านัดอออกพรรษาไม่ทันโอ้ยหาขวดเหล้ามาเลี้ยงกันไป อินจนหัวลาน้ําเลยทาไมคนไทยถึงทําอย่างนั้นอาตมาเลยต่อว่าเขาเป็นบ้าอืมพวกนั้นเขาเป็นบ้ากว่าพี่บ้าแต่ก็ดีมันไม่บ้าตลอดกาลมันบ้าชั่วคราวในพรรษามามันหายบ้ายังดีอยู่อมออกพรรษาแล้วเป็นบ้าดีกว่าคนเป็นบ้าตลอดเข้าพรรษาก็เป็นบ้าออกพรรษาก็เป็นบ้าดีกว่าคนฝูงนั่นอยู่ครึ่งนึง ไม่รู้จะตอบอยังไงรับเขาออกพรรษาทำไม่ได้ได้ทไมไม่ทําออกพรรษาเลยทาไมทํางานอออืคือเว้นข้อวัดปฏิบัติเพื่อคนที่มีโอกาสน้อยอืโอกาสน้อยศรัทธาน้อยกําลังไม่พอดีกว่าจะไม่ทําอืำเช่นว่าองกันเนี้มั น, านามากในพรรษามันก็หยุดซะจะมีขโมยเลย ก็ยังดีกว่าดีกว่ามีขโมยทางพรรษาออกพรรษามีขโมยจัดรอดการในไล่กว่าให้เขายุดการขโมยกะสในพรรษานั่นก็ยังดีอยู่ครึ่งหนึ่งคนละห้าสิบเปอร์เซ็นเรียกว่าบ้านเท่าเท่านั้นอน่ะอืในทางมันทีดีแล้วการสร้างความดีแล้วไม่ว่าออกพรรษาแล้วไม่ว่าจะเข้าพรรษาแล้วอืเราก็จงพยายามสร้างความดีอย่างนั้นเหมือนกับเรากินข้าวนะ่ะ ในพัรษามาก็หยุดสักไม่ต้องกินมันเอางั้นดิออกพรรษามาถึงกินอย่างงั้นเด้อมันก็ดีแบบหนึ่งเปลืองเข้าครึ่งหนึ่งถ้าเราทําได้อย่างนั้นการสร้างความดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นอืนี่ก็เลยบัญญัติที่เรียกว่าอคนที่บ้าไม่ได้มากให้ได้สักครึ่งหนึ่งอย่างนี้คนมากกว่าง่ายๆเอาโดยเอาทางง่ายมันใช่ก็ดีไปอย่างหนึง่งก็เหมือนถัถกาเราภาวนาแหละ ภาวนาทำไงไหมนั่งภาวนา ไ, ไ, ได้ไหมได้ยืนภาวนา ไ, ไ, ได้ไหมได้นอนภาวนา ไ, ไ, ได้ไหมได้คนร้อยนึงก็นอนภาวนากันหมดนะลักษณะการนอนภาวนามันสบายนี่ยืนจะมีกี่คนเนี่ยมันลาบากไงยังไงก็เป็นสมาธินอนกันสบายกว่านี่คนเราไม่เห็ยเจตวนอยู่อย่างนั้นอันนี้ระวันพระ สินนี่มันจะเป็นพื้นฐานถ้าหากาออกพรรษาก็ดีเข้าพรรษาก็ดีถ้าคนเราขาดสินอยู่เมื่ อ, อไรนั่นก็เป็นคนไม่พอคนือเป็นคนครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งเพราะว่าสินเนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าคนเราปราศจากสินแม้วันึง ก็เป็นคนไม่ไม่สมบูรณ์วันหนึ่งาราศจากศีลปีหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ปีหนึ่งถ้าเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วเป็นคนสมบูรณ์พอคนมันพอคนถ้าคนไม่พอคนมันก็คนขคึงๆกลางๆอืมคนขึงๆกลางๆก็คือคนไม่เต็มเต็มเพื่อนของคนนั่นแหละไม่เต็มคนเพราะว่าศีลนี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ อือย่างน้อยก็ไดยกว่าถ้าโยมแม่บ้านพ่อบ้านมีศีลกันนะนะก็เป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าศีลไม่เคยมีเราเเหอะไม่วันใดวันหนึ่งต้ อ, ตองทะเลาะกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ล่ะเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไรนั่นขาดศีลแล้วคือคนไม่สมบูรณ์พูดไม่รู้เรื่องกันเลย ผู้หญิงก็พูดไม่รูเรื่องผู้ชายผู้ชายก็พูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงทะเลาะ ก, ก็ว่าแยงกันไปนั่นคือคนขาดจากศีลดังนั้นศีลนี่จึงเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศีลเท่าไรเป็นต้นก็เดียกว่าเป็นคนพร่องจากคนไม่สมบูรณ์ดังนั้นศีลจึงจักเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีลเป็นพ่อเป็นแม่ ออธรรมะเสามองศีลก็บเสามองศีลเสามองธรรมะก็บเสามองมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นจึงพูดอยู่สม่ำเสมอว่าออให้โยมประกันรักษาศีลไอ้ตามความเป็นจริงเนี่ยศีลเ น, นี่ยให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นดีมากที่สุดนะให้มีสติอยู่คุ้มครองตัวอยู่รักษาตัวอยู่สังวร อ, อยู่สังรวมอยู่อย่างนี้ ลางบางคนจะเข้าใจว่าทำไมในสมถทานกับพระเล้วก็คงจะไม่ได้ศีล น, นะมั้งต้องหาพระจนได้ล่ะต้องไปกราบลงหาพะระไปเรียนกับพระให้พระบอกให้เข้าใจกันใหม่น่ะวันนี้อาตมาไม่ต้องบอกหรอกเทศบอกเนาะสมาทานนาิรัน์วันนี้เปิดให้ชากโลขึ้นมาธารมะเพราว่านโมตสักไม่ด้วยโยมก็บ่าไปตามโมดทุกคนเลยเดียวกว่าสมาทานนิรัน์ อันนั้นก็เป็นศีลอันหนึง่งแต่ว่าทําไปเไรื่อยโยมก็คงจะไม่เข้าใจอีกวันหนึ่งชาคโดจะขึ้นธรรมะเฉยไม่ต้องให้ศีลโยมโยมชาครูเป็นอะไรเนาะวันนี้เนาะโกรธให้โยมมั่งเนี่ยทำไมไม่ให้ศีลโยมใช่แล้วเป็นอะไรเนาะไม่รู้เนาะเนี่ยเนี่ยเราคิดว่าถ้าชาคโดไม่ไม่บอกศีลเราก็ใจไม่สบาย นึกว่าสัญชาคโกรเป็นอะไรส็ม่รู้ถือเป็นดวงประสาทกมไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยพูดกโยอมเลยเนี่ยคิดไปทั่วๆไปี่ถ้าหากว่าวันไลที่ท่านขึ้นมานั่งเฉยเทศก็เรียวไปวันนี้เราตั้งใจมาแต่บ้านนะเนี่ยรู้จักแล้วศีลได้จะต้องรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้หรือได้หลายวันหลายคืนก็ได้เนี่ยสัมประจัยวิรัตอยาไปติดพวกเราทั้งหลายยาไปติดแบบ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 ทุกอย่างแล้วเราก็ออกจากโรงเรียนมาเมื่อเพื่อนเขียนจดหมายมาหาเราที่บ้านล้วก็อ่านที่บ้านเนยไม่ต้องถือไม้บ้านมาอ่านในโรงเรียนหรอกแล้วส่งเขาส่งให้เราอยู่ถนนทนทางล้วก็อ่านถ้าเรารู้ในหนังสือล้วก็อ่านตรงไหนก็รู้ว่าเขาฝ่าอะไรเขาทำอะไรไม่ต้องถือจดหมายวิ่งมาอ่านโรงเรียนหรอกเมื่อจะเขียนจดหมายเป็นต้นก็เขียนไปเลย อยู่ถนนทุนทางเราก็เขียนได้อยู่ในบ้านแล้วก็เขียนส่งไปได้เพราะเราเขียนได้แหละไม่จําเป็นจะถือกระดาษปากกามาเขียนอยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็มันกันฉันนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไปว่าตามกับพระพอเรารู้ข้อปฏิบัติมาแล้วะท่านสอนให้เราก็เอาแล้วก็ฟังเป็นศีลทั้งนั้นอือันนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นตํำรับตาําราจนเกินไปอัตอมาเคยไปเมืองลาวก่อนที่เมืองลาวเป็น อิสระอยู่นะ่ะไปอ่านให้เทศให้เขาฟังขึ้นธรมรมะแต่ธรรมะก็เทศด้วยนี่เขาก็สงสัยเอ้พระองค์นี่ทำไมเทศไม่มีปึ่งหนังสือเนะ่ะตำราเขาเขาเรียกว่าพึ่งเอ้บางคนก็นกระเกิจกันมาเอ้เทศกับนวนพูดไปเฉยๆเว้ยน่ะเขาไม่ควรจะเชื่อได้เทศไม่มีหลักฐาน ธรรมดาเขาต้องยกปึ่งใหญ่ๆเินอ่านเขาเต็มใจเขานะเขาว่าเทศมีมีที่พึ่งมีหลักฐานมีปึ่งมีตำราอนี่อมีปึ่งมีตำรานี่คือมันติดซะจนเกินไปติดซะจนเกินไปเออะไรที่เราจำได้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็พูดไปเลยก็ยังไม่พอใหญ่ในรักทธศาสนาสของเรานั้น การเรียนหนังสื อ, อนั่นเพื่อให้เข้าใจการอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วก็ควางหนังสือเข้อป่าเลยพูดเลยอืนะไปคุณจะไปไหนผมจะไปบ้านผมเนี่ยไม่ต้องเอาหนังสือมาอ่านมาผมจะไปบ้านผมอย่างเงี้ยเรารู้เราเราจะไปบ้านเราไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกผมจะไปบ้านผมไปทําไมไปยี่ยมคน น, นู้นคนนนแล้วก็พูดไปเลยไม่จําเป็นจะเอาหนังสือไปกางอ่านทั้งนั้นน่ะจิบหายทั้งนั้นเลยทําไงะ อันนี้คือมันติดซะจนเกินไปซะเรารู้ความหมายแล้วเราก็พูดกันไปเลยเนี่ยนี่ก็เรียกว่าไอ้ความจำได้ไหมายรู้เราเนี่ยในใจเราก็พูดไปอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ไม่ติดแบบไม่ติดตำราอ่ะอันนั้ น, นเมือนกับเมืองลาวจะไปอะไรก็ช่งมันเถอะต้องถือปึ้งไปเทศตามปึ้งเทิตามตาราเทิดป้ายเขาจึงเชื่อแน่ว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้ฟังธรรมะ อาศัยปึ่งใหญ่ๆเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าใครเขียนก็ไม่รู้ไอคนที่เขียนเขาใจผิดหรือเขาใจถูกก็ไม่รู้นั่นเขาเชื่อกันอย่างนั้นนั่นกับมันกันเนะ่ยนั่นแต่ติดแบบติดตำราถ้ามีพระท่านไปอธิบายธรรมะให้ฟังโดยพิสดารโดยปากเปล่านั่นก็ไม่ค่อยเรื่อมสายประเทศไม่มีตำราเนี่ยนั่นะเทสเป็นความเห็นของตัวไปอย่างนั้นอันนี้มันติดถึงขนาดนั้นเน่ไอพวกเราทั้งหลายนั่น ซึ่งเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหลายปีมานานแล้วไม่ควรที่จะมาไปติดอยู่ยงั้นดูเหตุผลที่ว่าอไอ้คาที่ท่านพูดขึ้นนั้นมาท่าที่ท่านทำนั้นมันมีเหตุผลหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นให้เราพิจารณาให้ดีอย่าไปติดแบบติดตํำลาถ้าเราเข้าใจแล้วธรรมะมันมีมันไม่มีหลายมันมีอันเดียวมันมีอันเดียว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 อธิบายปากเปล่าให้ฟังบางทีลุกไปเลยกลัวมันจะผิดไปในสมัยที่รุ่นหลังอัจมามานาเนี่ะเทศนี้ก็ยากอ่านมาให้กัะเทศเทศอรดียสัตสีไม่ได้เทศทุกเทศส ม, มุทัยนิโรธมักเทศไม่ได้ไล่เลยพระองค์ในเทศอันนั้นทำพระอเดียเจ้าเอามาเทศทำไมมักผลนิพพานอย่าไปเทศเลย บาปเนี่ยะอันนั้นคำเทศของพระอริยเจ้ามัตสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยอย่ามาพูดเลยไม่ใช่เรื่องของเรา เ, เรื่องของเราเป็นแต่ผู้ฟังอย่ามาพูดสูงไปเนี่ยอย่างนี้ละ่ะกักขังกันไว้ในที่นี้ไม่บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าต่ัสสอนไว้เรากวนกันทุกๆคนอย่าให้เข้าใจอย่างนั้นอืนี่เรียกว่าศีลศีล น, น, นี้ คือตัดหรือแปลว่าตัดไลยเคยสีฟืนหมล่ะสีฟืนหนึ่งเข่าน่ะเคยได้ศีหมดละสีว่าสีก็ได้สีว่าตัดก็ได้ให้มันขาดออกจากก้มชิวัทั้งหลายสีละหรือแปลว่าหินมันเป็นของหนักไม่เป็นของเบาเที่งตรงหน้ามันก็จมดิ่งลงไปเป็นของหนักแน่นถ้าเรามีสี คือเราไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางใจไม่มีโทษทางวาจาเราก็พูดได้ถนัดเลย เ, ออเราพูดไม่ถนัดเลยพูดตรงไปตรงมาเลยไม่กลัวไม่เกรงเป็นผู้อาจรานกล้าพูดกล้าทาในทางมันที่ถูกไม่เกรงไม่หวาดไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยนี่หลสินริงเป็นผู้องอาจในที่ประชุมชนหรือเมื่อจะตายก็องอาจ เราไม่เราไม่ทำความชั่วเมื่อเราทําแล้วเราก็ละแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่มีอะไรใจเราก็สบายองอาจรู้จักอันตรายทั้งหลายเนี้ยก็ว่าโทษอะไรเราไม่มีไม่คันข้ามต่ออันตรายทั้งหลายนี้ฉะนั้นศีล น, นี้จึงเป็นพื้นฐานของธรรมะเป็นพื้นฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าปัญญาเกิดในที่มีศีลก็เรียกว่า เป็นสุปัญญาเกิดได้สิ่งที่ไม่มีศีลนั่นไม่เป็นพื้นก็เป็นปัญญาแต่เป็นทุปัญญาเนี่ยปัญญามันสุปัญญาก็คือปัญญามันดีทุปัญญากับปัญญามันชั่วเนี่ยปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาที่ดีมีสมุทฐานเกิดมาจากศีลเกิดจากความบริสุทธิ์เป็นต้นอันนี้เป็นมอเกิดของบุญกุศลอันหนึ่งที่ท่านจัดเลยว่า ไม่กระทำบาปทำหลายตังกวงนั้นด้วยกายวาจานั้นท่านจัดเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนานี่หัวใจพุทธศาสนาเมื่อหากว่าจิตกายหรือวาจาของเราไม่มีโทษใจเราก็เย็นลงใจเราก็เย็นเย็นลงก็ทำสมาธิก็เกิดง่าย จิตก็เป็นบุญจิตก็เป็นกุศลเพราะไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นพื้นนั่นเรียกว่ามันเป็นไวโพ์ของสมาธิสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเมื่อความใจความเมื่อความตั้งใจมั่นนี้ขึ้นมันก็เป็นไวโพสเนี่ยเกิดปัญญาอปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นรู้จากเหตุผลรู้จากถูกเป็นถูกรู้จากผิดเป็นผิดอันนี้ ก็เหมือนกันที่คนไม่มีปัญญาที่ว่าเทศหนังสือจะไม่มีตำรายกขึ้นมาก็เดียวกว่ามันผิดนี่นี่คือหมวดปัญญาเนี่ยมีเ่วะปัญญาสามไม่ใช่ปัญญามันดีนี่นี่เรียวกว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งนั้ น, นเรียวกว่าศีลสมาธิเรียวกว่าปัญญาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อถ้าเราทั้งหลายรู้แล้ว เมื่ อ, อไรจะเป็นบรรพะหรือไม่เป็นบรรพะก็ ต, ตามหาโอกาสอยู่อยู่ในบ้านเราวันนี้หรือในคณะนี่ฉันฉันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ยอันนี้เห็นของที่จะโก น, น, นขโมยเขาฉันไม่เอาแล้ ว, วเลิกนีนนก่เป็นศีลเึร็มาแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยจะกวนจะฆ่ามันฉันก็ไม่เอาละวันนี้เลิกมันเนี่ยมันก็ไปศีลอยูเดียว น, นั้นเนี่งยง่ายอย่างนี้ศีลไม่เพียอย่างนี้อันนี้ ไอ้สิ่งนี้ไอ้คนที่ขโมยก็ไม่ขโมยวันนี้เลิกเห็นเหล้าสิ่งที่คนรกินมันเหมือนเมาผิดศีลอ้าฉันจะไม่กินแล้วที่นี่เลิกมันก็เป็นศีลอยู่แล้วอันนั่นเป็นสัมปชัญญลักษณมที่เราเดินผ่านมานั่งรถผ่านมานั้นมิได้ผ่านผูงศีลมาทั้งนั้นแหละแต่ญาติโยมทางไหนไม่รู้จากศีลก็เนื่องว่าศีลอยู่น้ําชาคาโลนชาคาโร ถ, ถ้าจะมีศีลอะไรให้เราอ่ะือท่านจะอยู่ของท่าน ให้เข้าใจว่าศีนมันอยู่ทุกทิดทุกทางเมื่อเราตั้งใจรักษาขึ้นมันก็เป็นศีนขึ้นเดียวนี้เจตนาเป็นศีนขึ้นเดียวนี้มันก็เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้เข้าใจายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีปรรัญญาข่วงขวางไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปไปหาพระแล้วก็ไปกราบพระแล้วไปสมทานศีนกับพระเนี่ยนี่ผู้ผู้รู้แล้วจะต้องง่ายการประพฤติก็ง่ายขึ้น การปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักล่ะถ้าเราไม่รู้จักก็ลําบากหลายลําบากอืมสินเราจะเอาเมื่อไรเอาเมื่อเรายังไม่ตายอาตมาไปเคยสงสารเห็นคนฝูงหนึ่งพ่อตายเอาเศนีหีบแล้วมีมรรคพระไปให้มัติกาอืมคนเป็นก็อาราธนาศีลขึ้นอืม ลูกชายก็ไปเคาะลงปุบปุบุบพ่อรับสินเถอะพ่อรับสินเถอะแม่รับสินเถอะเฮ้ยไปบอกคนตายนี่ใครจะมารับสินนี่น่ะคนตายแล้เห็นไห ม, ไหมนี่อย่าไปโ ง, ถ ง, ปโง่ถึงขนาดนี้นะอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นอย่าไปงงงายถึงขนาดนั้นอย่าคนตายแล้วน่ะตายแล้วคนตายนี่ คนตายนั่นรับรับสินไม่ได้แล้วคนเป็ น, นเพงจะรับสินได้ไม่รู้เรื่องแล้วน่ะคนตายมันแล้ไปแล้วที่เราทําบุญเพื่อเป็นฉนองคุณพ่อของแม่พ่อแม่คนนี้เลี้ยงเรามาเป็นผู้อุปการ ะ, ะเราเราเกิดมานึกถึงบุญคุณของท่านกระตันยูกระตเบตรีของท่านจึงเกิดการกระทําบุญขึ้นมาและอุทิศส่วนกุญส่ว น, นี้ถึงพ่อแม่ผู้มีอุปการ ะ, ะเรานี่อันวะบุคคลหาในยาก ผู้ปการะเรามาแล้วบางคนก็เฉยะอ่ไหะจะ ก, กระตันยู่ตอบแทนท่านเวลาอะไรก็ให่อันนี้พูดผู้ทําแล้วเราก็ทําแทนเนี่ยบุคคลผู้ที่รู้จักบุญคุณอย่างนี้มันหาเลยยากท่านจริงเรียกว่าเป็นคนเป็นบุคคลหาเลยยากเท่านั้นอันนี้จะเป็นม ง, งมายที่ขนาดนั้นเลยทำแท้แท้ เ, ทเมื่อเรามีชีวิตอยู่เจตนาหังมีเจตนาเนี่ไอ้คนตายมันหมดเจตนาแล้วล่ะ ยกคุณพ่อคุณแม่ขึ้นนะเท่านั้นน่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทําบุญอืมไม่จําเป็นจะไปเคาะลงพ่อพ่อพระจะให้ศีลเนี่ยนับศีลเล ย, เลยมันจะเป็นบ้ากันหมดด้านนั้นน่ะบ้ากันหมดเลยอืเนี่ยยังไม่เท่านั้นเองนนะแรียกนิมนต์พระให้ศีลเลยถ้าก็เป็นบ้าไปด้วยกันเหมืนอนกันพระก่อนน้ำโมตระเขาเขาว่าตัวไว้ไงเงียบไอ้คนคนเป็นเป็นไม่ต้องพูดหรอกในเวลานั้น ไม่ใช่ให้ชินคนเป็นให้ชิ้นคนตายก็ให้ล่องตาเด่นกับพระล่องตาเด่นกับผีนั่นแหละพุทธังสนังกชามิเงียบธรรมังสนังกชามิเงียบคนตายไม่รู้เรื่องเด้อเนี่ยพระก็เป็นบ้าให้ชิ้นคนตายเงียบปานากเงียบอธินากเงียบอะไรเงียบเงียบทั้งนั้นนะชี้เลยนะสุกเทืองยันติก็เงียบเลยแยียกไปเลยคือความใจผิดประชาชนทั้งหลายพวเรายังเงียบซะ ให้พ่อรับสินพอ่อจิตใจอยู่ในหีบนั้นเป็นบ่ากันหมดทั้งเมืองเลยนะอันนั้นอย่าเป็น ง, ง, งน่ง่ายถึงขนาด น, านั้นให้เข้าใจซะอย่างนั้นสินไม่ใช่เป็นของยากสินก็หมายว่าไอการละความชั่วเท่านั้นเนีะความชั่วมันจะเกิดขึ้นทางไห น, นเนกิดขึ้นทางกายของเราทางวาจาของเราทางใจของเรานี่เท่านี้แล้วมันจะผิดพลาดเกิดเท่านีน้ี่เราไปที่ไหนเราก็อาไปด้วยกายล้วก็มาวานันนี้ใช่ไหมใจก็ามาวานันนี้วาจาก็ามาวันนี้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 ให้เข้าใจซะอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้ว เ, าเอาง่ายไม่ํำบากวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ใครจะรักษาอุโบโสถศินก็รักษาดิรักษาอุโบโสถศินรักษากายรักษาวาจาของเราเนี่ยให้สงบวันนี้ภาวนาให้มีสติคุ้มครองเสมอจะพูดอะไรก็ให้มีสติแตตั้งพูดในทางที่มันดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์คนอื่น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 กลางวันมานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ได้อย่าคุยกันไปเรื่องอื่นวันนี้ไปวบบทำจิตให้มันสงบรักษาศีลเป็นศีลเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเดี๋ยวก็เป็นปัญญาทําไปอย่างนี้ให้มีความหมายอย่างนี้บางคนไม่รู้จักนะมาเข้าวัดตั้งแต่ตั้งวัดป่ามาถึงบัดเนี้ยอยู่เป็นนา น, านอยู่เป็นนานเ น, นียกว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้นะคนนึงนะบางทีก็ยิ่งยิ่งเหลีวหลาไป เหมือนไม้แล้วเนี่มันช่วงยาวๆไหมก็เอาขึงไปนานๆนึกว่ามันจะทนทานนี่มันอ่อนโยนโยนโยนงงเราอยู่ใกล้ๆเหมือนกันน่ะนึกว่าเรามาวัดก็มาเทวัดนั่นแหละแต่ความเข้าใจในการรักษาศีลนั้นไม่มีมันก็ระมัดนี่ศีลมันอยู่ที่เราบุญมันอยู่ที่เราเราสร้างที่กายที่วาจาใจของเรานี่เอง